ก็ประโยชน์เนี่ยนะก็เป็นเรื่องที่ดีะนะประโยชน์ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายแต่ให้เรารู้ว่าเออประโยชน์เนี่ยผลประโยชน์นี่แหละมันจะเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเพราะอะไรเพราะเราปรารถนาประโยชน์ใครก็ตามที่ขัดขวางประโยชน์เราเราก็เรียกเขาว่าเป็นเป็นอะไรก็เป็นเถอะว่างั้นเถอะถ้าเป็นอะไรที่อยู่ในคอเราเรียกอะไรที่มันให้กลืนไม่ลงอ่ะนะเรียกก้างขวางคอใช่ไหเราก็เรียกเพราะมันไม่ให้ประโยชน์เรากลืนไม่ค่อยลงงนะ อางโรคภัยไข้เจ็บพอเรารู้ว่ามีอยู่ในตัวน่ะแหมเอาออกมันได้เร็วที่สุดยิ่งดีอ่ะนะเพราะมันไม่เป็นผลประโยชน์อะไรกับเราแต่ถ้าอาหารมันมีประโยชน์แกเรามากมันจะแพงขนาดไหนเราก็ซื้อมันกินเพราะว่ามันให้ผลประโยชน์แกเราเฮ้ดูนะโอ้เรารักขันห้าขนาดนั้นห่วงมันมากถนอมมันมากแล้วมันเชื่อฟังไหมเลี้ยงมันดีขนาดนั้นมันยังไม่เชื่ออีกนะอย่าปวดหัวนะยามันก็ไม่เชื่อหรอกปวดเอาปวดเอา ต่อไปนะว่าความต่างกันโดยอัฏฐแห่งชราและมรณตันห า, าย่อมควรด้วยยุตินะนะกว่าโดยพยัญชนะนะหาความต่างโดยอัดและโดยพยัญชนะว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเป็นต้นเนี่ยหาข้อยุติให้ได้พระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกคํานี้ด้วยชื่อสองอย่างคืออิจฉาบ้างตันหาบ้างด้วยอํานาจแห่งอารมณ์ของวัตถุมีรูปารมณ์เป็นต้นภายนอก ตัญหากับตัวอิจฉาเนี่ยนะอิจฉาซึ่งหมายถึงว่าปรารถนาเนี่ยเอาวัตถุเป็นที่ตั้งเอาวัตถุรูปสวยๆเสียงเพราอกเลนหอมๆรส อ, อ, อร่อยอร่อยโพธาภะที่ดีเนี่ยนะแท้จริงตัญหาทั้งปวงมีลักษณะเหมือนกันด้วยลักษณะการเหนี่ยวอารมณ์แล้วมายึดถือเอาไว้เข้าไปยึดถือก่อนเปรียบเหมือนไฟทั้งปวงมีลักษณะเหมือนกันด้วยลักษณะคือความร้อนแม้จะเหมือนกันเช่นนั้นก็ยังได้ชื่ออื่นๆว่าไฟไหม้บ้าง ไฟไม้บ้างไฟหญ้าไฟสะเก็ดโคไม้นะไฟขี้วัวนะไปที่วัวนี่ไปอินเดียเห็นนะไหมเอกองสูงๆงที่ที่แบบเป็นลอ้อกลมๆละนะเป็นลอ้อกลมๆแล้วก็มาวางซ้อนๆๆกันเนี่ยเหมือนกับจอมปลวกข้างทางนั่นนะคือขี้วัวผสมผสมอผสมฟางเขาจะเอาฟางเนี่ยมาตัดตัดตัดตัดตแล้วก็เช้ามาเขาจะไปเก็บขี้วัวเก็บขี้วัวแล้วก็มาคลุกๆลุกลุกคุกกันแล้วก็มาปัน้นปั้นเป็นแผ่น ทางเหนือเขาเรียกหมือนข้าวแตนทางใต้เหมือนกับขนมอะไรอ่ะขนมเอาะข้าวเหนียวมาปั้นเป็นก้อนๆน่ะนะเนี่นขนมทางเหนือเรียกข้าวแตนทางนี้เรียกขนมนางเล็บหรือขนมอะไรเนี่ยเขาเรียกข้าวเหนียวทอดอ่ะข้าวเหนียวมันเป็นกลมๆแล้วทอดอ่ะอันนั้นเนี่ยนะเออมัราดหน้าน้ําตาลอ่ะนะข้าวเหนียวราดหน้าน้ําตาลทอดกรอบนั่นแหละอ่าขนมนางเล็บนั่น นันแหละนางเลดอินเดียนี่ทอดกินไว้ได้มันไปชุบกับชุบกับขี้วัวนะเอาเอาฟางเนี่ยมาเป็นี้มาชุบขี้วัวแล้วก็มามาม า, มาตั้งเรียงกันโหเหมือนจอมปลวกมากเลย แ, แล้วก็บางทีก็เอาขี้วัวมาฉาบอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกันฝนได้ทั้งปีเพราะฉะนั้นถ้าฝนตกมาก็อันนั้นแหละเป็นฟืนหุงข้าวของคนยากนะถ้ามีฐานะหน่อยก็ใช้ฐานหิน แต่ไฟฟ้านี่ก็เอาเป็นประมาณไม่ค่อยได้ ต, ดติดดับดับทุกสองชั่วโมงไงนะ่ะเนึกอยากติดก็ติดนึกอยากดับก็ดับโหไปยังก็ไปเมืองร้างนนเลยเหมือนกับว่าโอเคยเจริญรุ่งเรืองเสาไฟฟ้านะโอ้โหมีทรงไหนก็มีให้เห็นหมดเลยเสาแบบรถไฟเก่าๆของบ้านเราอนะมันงองๆตรามีหลายยี่ห้อนะตรางูตราพญานาคกลายก็โคตรงองอย่างนั้นหมดพญาแร้งก็มีด้วยนะอันะั อว่าโดยโรวมๆนะว่ามันจะมีไฟเนี่ยพวกไฟมาจากโคมไฟไฟมาจากแหลบไฟขยะสรุปแล้วที่เรียกว่าอาที่ไฟมันต่างกันเพราะอะไรทําให้ต่างเพราะเชื้อมันทําให้ต่างกันไฟก็เลยเรียกชื่อไปต่างๆกันแต่โดยลักษณะมันก็ไฟเหมือนกันเนี่ยนะของร้อนเหมือนกันนั่นแหละแท้จริงไฟทั้งปวงมีลักษณะเป็นความร้อนเท่านั้นตันหาทั้งปวงก็เช่นเดียวกันมีลักษณะทุก เหมือนกันด้วยลักษณะคือการเหนี่ยวอารมณ์และมยึดไว้แต่ท่านก็เรียกด้วยชื่ออื่นว่าอิจฉาธรรมชาติที่ต้องการอารมณ์บ้างตันหาธรรมชาติที่ติดอยู่ในอารมณ์บ้างสาระสิ่งที่เสียบแทงเนี่ยนะเสียบแทงก็คือเบียดเบียนบ้างทูปายนาสิ่งที่ทำให้เร่าร้อนบ้างสริตาสิ่งที่ทำให้เล่นไปบ้างวิสติกาสิ่งที่ซ้านไปในอารมณ์หกบ้างสเนหา ความรักสิเนหาถ้าโดยสัมแต่ว่ายางเหนียวอ่ะนะยางเหนียวที่เหมือนกาวตราช้างเลยนะติดอารมณ์ไหนก็แน่นกับอารมณ์นั้นอนะ่ะไปแล้วก็ยังนึกอีกนั่นแหละกีรมะทะสิ่งที่ทําให้ลําบากบ้างละตาละดาก็คือละดาวันนะ่ะนะถาวันต้องถามยมนุษอักษรสาสตร์นะี่ละตาละดานั่นแหละก็คือสิ่งที่รัดเริงเหมือนเถาวันแล้วก็มัญ น, นา มัญน า, าความสำคัญนะธรรมชาติที่นึกว่าสมบัติของเรามัญน า, าแปลว่าสาคัญไอตัวสำคัญว่าเราว่าของเราเป็นต้นเนี่ยหรือว่าพันทะพันทะก็คือสิ่งที่ผูกเอาไว้อาสาธรรมชาติที่ปรารถนาปิปาสาธรรมชาติที่ต้องการดื่มรถในอารมณ์นะแล้วก็อภินันทนายินดียิ่งอภินันทาการจากแสดงว่าแสดงความยินดียิ่งนะ ก็ยินดียิ่งในที่นี้มันก็แบ่งเป็นสองกลุ่มนะถ้ายินดียิ่งในวัตถุกรรมพวกนี้แหละตันหาละ่ะตันหาทั้งปวงมีลักษณะเหมือนกันด้วยลักษณะการเหนี่ยวอารมมายึดไว้อย่างนี้สรุปว่าตันหาทุกตันหาเนะีมันติดข้องในอารมณ์เหมือนกันแต่ที่ต่างกันจะเรียกโดยประการต่างๆก็ต่างกันโดยโดยการมณัิการในอารมณ์เ น, นี่ยนะเช่นว่าถ้าสิ่งไหนสิ่งไหนที่เราอยากได้แล้วยังไม่ทันได้เราเรียกว่า ต้องการใช่ไหมหรือความปรารถนาถ้าหากว่าได้มาแล้วเราติดข้องเรียกว่าตัญหาอย่างเงี้ยนะหรือว่าพอติดข้องแล้วก็แม้มันเบียดเบียนใจเหลือเกินทําให้จิตใจเร่าร้อนเราก็เรียกว่าสาละเนี่ยนะแล้วก็ต้องเดือดร้อนกับสิ่งที่เราต้องการเนี่ยนะร้อนเพราะตัญหาอันนี้ก็เรียกว่าทูปายนาแล้วก็ติดข้องในวัตถุใดก็เล่นไปตามวัตถุนั้นก็เรียกว่าสริตา แล้วก็สร้างไปคิดไปในอารมณ์นั้นๆบ่อยๆเรียกว่าวิสติกาติดข้องเยื่อใ ย, ยเหมือนยางเหนียวนั่นแหละก็เรียกว่าสเนหาสเนหาเนี่ย น, นะก็วัตถุที่เราเดือดร้อนติดข้องก็จะเดือดร้อนลําบากเพราะสิ่งนั้นเรียกว่ากิรมาธาันนะพอเดือดร้อนกับสิ่งนั้นมันก็ไม่ได้เดือดร้อนเพื่อจะออกนะเดือดร้อนอมัดตัวเองให้มันแน่นขึ้นแน่นขึ้นในสิ่งนั้นแหละอันนี้ก็เป็น ละตาเป็นเถาวันนะเคยเห็นเถาวันไหมมันมันที่ที่กุฏิเนี่ยเถาวันเยอะบริเวณกุฏิเนี่ยนะมันก็จะมีขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยๆรัดรัดรัดรัดบางบางบางต้นเนี่ยถ้าเถาวันมันมากนะมันรัดจนไอ้ต้นที่ถูกรัดเนี่ยตายเลยนะบอกว่ารักกันมากกอดกันตายเลยางโอ้ยเกินไปยแล้วพวกเถาวันนี่ก็ลักษณะนั้นนะพวกตันหาที่ยึดติดกับอะไรก็เหมือนกันนะอย่างพวกเงยงนึกนะ พวกมแมลงเมามันไปมีความสุกกัไฟเอ๊ะมันสุกตรงไหนบินไปทีปีกก็ขาดไปข้างไหนนะขนาดนั้นก็ยังคลานไปให้ไฟไหม้จนได้นะมันร่าขนาดนั้นอ่ะในที่สุดก็เผาตายอยู่ตรงนั้นนั่นแหละทีนี้มันญ า, านะมันก็ยังสําคัญว่าเป็นเป็นเราหรือว่าเป็นของเราจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหมไม่ใช่มันมันหลอกตัวเองอ่ะ น, นะหลอกตัวเองเออเรานะว่าของเรานะแล้วจริงๆล่ะ คนเข่าสําคัญว่าเออนั่นก็บุตรของเรานะนั่นก็ทรัพย์ของเราความเป็นจริงแล้วตนของตนก็ยังไม่มีบุตรและทรัพย์จะมีมาจากไหนเนี่ยเนี่ยถ้าคนเขา่าใช่ไหมเขาเขาสําคัญว่าอู้อันนั่นก็ของเราอันนั้นก็บุตรของเราก็เลยพาทาบาปบานเลยนะเพราะความสําคัญว่าเป็นของเราก็เลยทําบาปให้ตัวเองมากในที่สุดเวลาจะตายไปจริงๆอ่ะนะี นึกหาบุญก็ยังไม่มีไอ้ตัวเองที่มันพึ่งอยู่ก็ไม่มีลูกมันก็ไม่สนใจอ่ะนะเพราะพ่อแม่ที่ไม่ค่อยอยู่ในศีลในธรรมนี่ยไม่ใช่ลูกจะเลี้ยงดีลูกไม่ค่อยสนใจพ่อแม่อย่างนี้อยู่แล้วลูกก็ไปตามเรื่องของลูกพ่อแม่ก็เดือดร้อนอันนกัของเราไอ้นี่ก็ของเราหนักๆเข้าเอ้ร่างกายมันก็ชักไม่ไม่เชื่อเราแล้วนะมันก็ป่วยเอาป่วยเอาลูกก็ไม่มาเยี่ยมเราก็เลยเรียว่าตนของตนก็ยังไม่มีถามหาลูกก็หายถามหาทรัพย์ก็ไม่มีอ่ะนะในที่สุดก็ ตายไปเป็นเปรตบอกโอ้ยพวกนั้นนะมันกินของเรามันไม่ยอมทำบุญดุทิศให้เราเลยน่นนะก็เป็นเปรตแล้วก็เดือดร้อนต่อไปนี่นะคนเผาก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านก็ยกตัวอย่างในเวว จ, จะนะาหาะวิพังว่าความหวังความปรารถนาะความยินดียิ่งย่อมมีธรรมชาติที่ไหลไปดุดแม่น้ำธรรมชาติเป็นที่ตั้งแห่งธาตุเป็นอันมากก็ดีสิ่งที่เกิด คือโมหะมูลก็ดีสิ่งที่กระสิบก็ดีย่อมมีเราทำตันหาพร้อมทั้งปวงพร้อมทั้งรากเง่าให้สิ้นสุดแล้วเนี่ยอันนี้ก็หมายถึงว่าผ้าหันทั้งหลายท่านกำจัดตันหาได้หมดเลี่ยงแล้วไม่มีส่วนเหลือแล้วประทั้งก็สังเกตดูนะหายุติหาระเนี่ยการแสดงทั้งหมดเพื่อไปหาข้อยุติคือประกาศว่าตันหานี่เป็นสมุทัยสัต์ คำสอนที่สอนทั้งหมดเพื่อราคะวินยัยเพื่อกำจัดราคานะเนยราสังเกตดูนะว่าการวางแม้กระทั่งความหวังความปรารถนาะความยินดียิ่งเหมือนแม่น้ำอ น, นะตัวประสิทธิ์ท่านบอกว่าเราทำตันหาทั้งปวงพร้อมทั้งรากรากของตันหาคืออวิชชาเพราะฉะนั้นท่านทำลายรากได้หมดแล้วมันกาจัดราคะวินยัยกาจัดแสดงราคะวินยัยแสดง โมหะวินัยกำจัดราคะและโทสะคำว่าอาสาปิหาความหวังความปรารถนาเป็นต้นนี้เป็นคำวัยพจน์คือเววัจนะของตันหาเหมือนกับคนเดียวหลายเชื่อนะสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนติดสะสสำหรับผู้ที่ยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากฉันทะยังไม่ปราศจากความรัก ยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนราคะฉันทะความรักตัณหาเร่าร้อนที่จริงอันเดียวกันต่างกันโดยคำถามว่าราคะในอะไรในรูปประขันฉันทะในรูปประขันรักรูปประขันกระหายในรูปประขันเร่าร้อนเพราะรูปประขันเนี่ยเนยเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันก็ในย่าเดียวกันถามว่าผู้ที่มีราคะ ฉันทะความรักความกระหายความเราร้อนในขันห้าติดข้องในขันห้าเขาจะเดือดร้อนเพราะขันห้าไหมก็เดือดร้อนในขันห้าถ้าผู้ที่ไม่ติดข้องในขันห้าจะเดือดร้อนเพราะขันห้าไหมก็ไม่เดือดร้อนผลสรุปว่าไอตัวตันหากับปีหาความหวังความปรารถนานั่นแหละก็เป็นชื่อของกิเลสกรรมที่ติดข้องในวัตถุกรรมคื อ, อปาทานขันห้า เหมือนเช่นนั้นสำหรับผู้ที่ยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากฉันทะยังไม่ปราศจากความรักยังไม่ปราศจากความกระหายยังไม่ปราศจากความเร่าร้อนในเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันในวิญญาณขันชื่อเหล่านี้นะนะก็เป็นชื่อของตัณหาทั้งหมดอันนี้เป็นวัยโพธของตัณหาเสื่อว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งปวง มีการมตัญหาเป็นปัจจัยมีสังขารเป็นเหตุอันนี้เรียกว่าเป็นการหาข้อยุติที่สมควรนนวัตถุทุกทั้งหมดนะทุกขปวติหมายว่าทุกที่เป็นไปในวัตตะเราลองมานึกโดยลทุกของแต่ละคนตั้งแต่เกิดไปจนถึงตายทุกๆคนแม้ทุกของคนในอดีตทุกของคนที่จะมีในอนาคตทั้งหมดนะนะความเป็นไปแห่งทุกทั้งหมดของเขาอ่ะมีการมตัญหาเป็นปัจจัย มีสังขารคือกรรมเป็นเหตุสรุปว่ามีตัณหามีกรรมนั่นแหละทาให้เข้าวนไปในชาติทุกข์ชราทุกประยาที่ทุกขมรณะสโสกกระปริเทวะทุกข์ไม่มีที่สิ้นสุดไ อ, อย่างนี้สมควรใช่ไหมว่าวัฏฏะทุกข์มีตัณหาเป็นแดนเกิดส่วนความเกิดขึ้นแห่งนิพพิทาไม่ใช่นิพพานนะนิพพิทาแก้หน่อยนิพพานเกิดจากตัณหาไม่ไม่ใช่แล้วความเกิดขึ้นแห่งนิพพิทา หมายถึงนิพพานุปัสสนานั่นเองอะนะหมายถึงนิพพายานเนี่ยหมายถึงวิปัสสนาว่าความเกิดขึ้นแห่งนิพพาทั้งปวงมีวัตถุกรรมที่แวดลอ้อมด้วยการ ม, มาตันหาเป็นเหตุย่อมไม่ควรวิปัสสนาเกิดจากตันหาไหมโ อ, อ้บ่อเจริญตันหามากๆนะตันหาชอบมากๆแล้วจะเกิดนิพพายานเองไม่ใช่เขามีนะััตที่อยู่รัที่หนึ่งสมัยหลังพุทธกาลมาแล้วเนี่ย เขาก็ถือว่าผู้ที่บริโภคการมมากๆจะได้นิพิทาเขาวางกันเขามีลทัทธิหนึ่งที่มันหมกมุ่นในกามเป็นอย่างมากซึ่งอันนี้ไม่สมควรไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนเพราะว่านิพิทาทั้งหลายเกิดจากอะไรเกิดจากนิพิทานุปัสสนาเนี่นะเกิดจากอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาที่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นอ น, อนุปัสสนาสามที่บริบูรณ์ย่อมยังนิพิทานุปัสสนาให้บริบูรณ์ เพราะฉะนั้นนิพพิ昙ไม่ได้เกิดจากตัณหาเพราะฉะนั้นคำที่บอกว่ากามมาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดนิพพิาไม่สมควรอันนี้เป็นหลักการหาข้อยุติเนี่ยนะซึ่งเนื้อหายางอื่นก็คงเป็นวันอาทิตย์ต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นนี้ก็ได้ข้อยุติแล้วยุติด้วยเวลา